มิลินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาสัตตมวักอระหะโตกายิกะเจตสิกะเวทนาปัญหาที่หนึ่งถามว่าเวทนาของพระอรหันต์และปุถุชน แปลกกันอย่างไรสมเด็จพระเจ้ามิลินปินประชาอติสราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามว่าพันเตนาขเสนะข้าแต่พระผู้เป็นเจ้านาขเสโยมจะขอถามสักหน่อยตุ้มเหพนาถพระผู้เป็นเจ้ากล่าวดังนี้ว่าธรรมดาพระอรหันต์เจ้าเมื่อจะเสวยทุกขเวทนานั้นจะได้เสวยเป็นสอง ดดปุตุชนหาไม่ได้อันปุตุชนนี้มีทุกขเวทนาเป็นสองคือทุกขเวทนาอันประกอบในกายและทุกขเวทนาอันประกอบในจิตส่วนพระอาหารหันต์เจ้าทั้งหลายมีแต่ทุกขเวทนาเกิดแต่กายทุกขเวทนาจะได้มีในจิตหาไม่ได้โยมารำพึงดูถ้าการะนั้นจิตของพระอาหารหันต ย่อมเป็นแต่อาศัยกายเป็นไปพระอรหันต์ไม่เป็นใหญ่ไม่เป็นเจ้าของกายนั้นแต่ท่านไม่เป็นไปในอำนาจของกายดังนี้หรือผู้เป็นเจ้าพระนาคเษน ร, รับคําว่าจริงเหมือนทรงพระดรําริจิตพระอรหันต์ไม่เป็นใหญ่เป็นเจ้าของกายพระเจ้ากรุงมิลินจึงตรัสต่อไปว่าพันเตนาคเสณนะ ข้าแต่พระนาคเษดผู้ปรีชายานโยมยังสงสัยนักหนาซึ่งว่าจิตอาศัยในกายและจะไม่เป็นเจ้าแห่งกายไม่เป็นใหญ่แห่งกายนั้นโยมยังแคลงอยู่นักหนาได้ยินแล้วยิ่งสงสัยให้เครือบแคลงแหนงในใจนักจิตนี้อาศัยกายเหมือนนกทั้งหลายอาศัยรังย่อมจะเป็นเจ้ารังพระนาคเษดถวายพระพรว่า มหาราชะขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารกายานุขตาธรร ม, มาอันว่าธรรมที่จะเนื่องด้วยกายจะตามกายไปในภพนั้นมีสิบประการสีตังคือความเย็นความหนาวอุนหังคือความร้อนชิกคัตฉาคือความหิวปิปาสาคือความกระหายอุจาโร คือถ่ายอุจาระปัสสาวะคือถ่ายปัสสาวะทีนมิถังคือความง่วงเหงาหาวนอนชาราคือความแก่พยาธิคือเจ็บไข้มะระนังคือความตายทาสิบประการนี้ย่อมเวียนไปตามกายอันจะเที่ยวท่องไปในภพสามคือกามภพรูปภพอรูปภพ อรหอันว่าพระอระหันต์จะได้เป็นใหญ่ในกายจะได้เป็นไปในอำนาจแห่งกายหาไม่ได้สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสถามพระน้ า, าเกษณว่าพันเตนาคเสนาะข้าแต่พระหน้ า, าเกษณผู้ประกอบด้วยปรีชาญาณถ้าว่าพระอระหันต์ไม่เป็นใหญ่ในกายจะบังคับกายจะห้ามกาย สำรวมกายอย่างใดเล่านิมนต์พระผู้เป็นเจ้าวิสัชนาให้แจ้งก่อนพระนาคเษนถวายพระพรว่ามหาราชะดุกระบ่อพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐเยเกจิชนาอันว่าคนทั้งหลายนอกจากพระอรหันต์ปะทวินิสิตาบรรดาที่อาศัยอยู่ในพื้นแผ่นดินสถิตเที่ยวอยู่บนภูมิภาคพื้นแผ่นดิน จะประกอบการสิ่งไรก็อาศัยพื้นแผ่นดินเพราะตั้งอยู่บนพื้นแผ่นดินจะปลูกจะหวานอะไรได้สิ้นนุโขดังอาตมาถามสมเด็จบรมบพิษเมื่อคนทั้งหลายกระทําการสําเร็จกิจสิ้นคนทั้งหลายจะบังคับบัญชาพระสุธาดนแผ่นดินให้กระทําการจ้างจะได้หรือไม่ได้นะบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีมีพระราชองค์การตรัสว่าพันเตนาคเสนาข้าแต่พระนาคเษนผู้ปรีชาพื้นพระสุธาดนแผ่นดินมีจิตวิญญาณอะไรเล่าคนทั้งหลายเขาจะได้ใช้แผ่นดินให้ทำการจ้างเหตุว่าแผ่นดินไม่มีจิตไม่มีวิญญาณพระนาคเษนจึงมีเถระวาจาว่ามหาราช ขอถวายพระพรบ่บพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐในราชเสลิงคารข้อความเปรียบประการนี้ยะถามีขรุวนาฉันใดพระอรหันต์ไม่ได้เป็นใหญ่ในกายมิได้มีอาญาแผ่ไปในกายเปรียบดุดมนุษย์ทั้งหลายทั้งสิน้นอันสถิตยอยู่เหนือภูมิภาคพื้นแผ่นดินมิได้มีอาญาบังคับบัญชาแผ่นดิน มิได้เป็นอิสระภาพปราแผ่นดินนะบ่พิพระราชสมภารจงทรงทราบ พ, พระยานเถิดว่ากายพระอาหารหันต์เหมือน ก, นกันกับแผ่นดินสมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิบดีจึงมีพระราชองค์การตรัสถามอีกเล่า ว, ว่าพันเตนาคเสนะข้าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าอันประกอบด้วยยาณปริชาอันว่าปุถุชนฉนจริงเสวยเวทนากายและจิตเล่า พระนาคเกษนจึงถวายพระพรว่าดูกระเบอบพิษพระราชสมภารผู้ประเสริฐปุถุชนย่อมเสวยเวทนาเป็นไปทางกายและจิตทั้งสองนั้นเพราะตนมีจิตไม่ได้อบรมภาวนามหาราชขอถวายพระพรบพิษอดิศรผู้ประเสริฐปุถุชนนั้นเปรียบเสมือนหนึ่งว่าโคอันอยากน้ำและหญ้าที่เคยกินเป็นอาหาร ต้องทรมานด้วยคนใจพานผูกด้วยเครือขาวเถาละดาวันโคนั้นก็ดิ้นรนด้วยหากำลังไม่ได้ก็ทุรนทุรายอยู่แต่ในใจยะถามีครุวนาฉันใดจิตปุถุชนนี้ไซถ้ามิได้จำเริญให้ถึงมรรคถึงผลถึงหนทางพระโรกุตะละก็ได้แต่ทุกขาร้อนเหมือนโคหิวอ่อนที่เขาผูกไว้ด้วยเถาวันอันน้อยฉะนั้น ครั้นจิตกำเริบแล้วก็พากายกำเริบกลับกรอกดิ้นโดดไปเสวยเวทนานะักสุดที่จะกลั้นจะทนพ้นกำลังก็ระเหระหอนร้องครางไปด้วยความทุกขเวทนาพระอระหันเจ้านั้นเป็นพาวิตจิตฝึกฝนอยู่เป็นอันดีดุจสินทบพาชีชาตอาชาันอันฝึกหัดทรมานไว้เป็นอันดีเมื่อทุกขเวทนาถึงตัวนั้น พระผู้เป็นเจ้าก็ผูกพันจิตของตนเข้าไว้กับเสาประโคนคือพระสมาธิถือไว้ให้มั่นคงปรงปัญญาเห็นว่าเวทนาซึ่งเสวยทุกนี้ย่อมเป็นพระอนิจจังเป็นพระทุกขังเป็นพระอนัตตากระทําจิตของอัตมามิได้หวาดหวั่นกําเริบฟุงซ่านถึงมาดว่ากายนั้นจะมีทุกขเวทนาน้อยมากประการใด ก็ไม่ได้เอาใจใส่เห็นมั่นในพระไตรลักษณ์คือพระอนิจจังพระทุกขังพระอนัตตาด้วยจิตผูกติดไว้กับเสาประโคนคือสมาธิเหตุดังนั้นจึงว่าพระอรหันต์เจ้าเสวยเวทนาอันเกิดแต่กายสิ่งเดียวมิได้เสวยเวทนาอันเกิดแต่จิตบอบผิดพระราชสมภารพึงเข้าพระไทยด้วยประการดังนี้ สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีได้ทรงฟังดังนี้ก็มีพระทัยสิ้นพระกัางขาจึงซ้องสาธุการดุจในหนหลังอรหัตโตกายิกาเจตสิกาเวทนาปัญหาที่หนึ่งจบเพียงนี้